อีกหาระหนึ่งอาวัตตหาระสัมปาตะอาวตตหาระก็คือการหาประฐานธรรมะที่ยกขึ้นสู่เทศนาคือคือธรรมะที่ยกขึ้นสู่เทศนาแล้วก็หาประฐานหาประฐานแล้วก็หมุนหมุนตรงกันข้ามว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลถ้าพูดกุศลอยู่ก็หมุนไปหาอากุศลถ้าพูดกุศลอยู่ก็หมุนไปหาอากุศลแล้วก็สาวหาปัจจัยลงล่างๆว่า กุศลอกุศลเหล่านี้เกิดจากประทัดฐานคือเหตุใกล้อะไรก็ไล่สืบๆๆกันไปสืบๆๆลงไปแล้วก็อากุศลหรือกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยให้สืบสูงสูงขึ้นไปต่อไปอย่างไรนี่เรียกว่าอวตตหาระเนี่ยนะทีนี้ถามว่าคาถาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันมันอธิบายเป็นอวตตหาระได้อย่างไรคําว่าเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความนริทชอบเป็นโคจรอันนี้เป็นสมถะ กระทำสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าเป็นวิปัสสนารู้ความเกิดและความเสื่อมไปเป็นการกําหนดทุกขสัจจะครอบงําถีณามิทะชื่อว่าเป็นการละสมุทยสัจจะ น, นะถ้าละทุกขติทั้งปวงได้ก็เป็นนิโรสัจจะอันนี้เป็นสัจจะสี่ประการสัจจะสี่ประการการแทงตลอดอริยสัจสี่ก็คือการกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทํานิโรธให้แจ้งการแทงตลอดอริยสัจสีนี้อะไรควบคู่กันไปสมถะและวิปัสสนา ควบคู่กันไปสมถะวิปัสนาเนี่ยนะควบคู่กันไปเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการแทงตลอดสัจจะสี่สัจการแทงตลอดสัจจะ4เรียกว่าวิชาเรียกว่าวิชาหรือว ge ิมุตเนี่ยนะวิชาวิมุติก็เกิดจากการอบรมสมถะและวิปัสนาเคียงคู่กันไปสมถะวิปัสนาที่ควรเคียงคู่กันอย่างนี้เรียกว่าโพชงโพชงมีอะไรเป็นเหตุใกล้สติปัฏฐานสติปัฏฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้ สตปัฏฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้สุจริสามเป็นเหตุใกล้สุจเรศสามมีอะไรเป็นเหตุใกล้อินทรีสังวรเป็นเหตุใกล้อินทรียสังวรมีอะไรเป็นเหตุใกล้สติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศรัทธาศรัทธามีอะไรเป็นเหตุใกล้การฟังธรรมที่สมบูรณ์การฟังที่สมบูรณ์มีอะไรเป็นเหตุใกล้การครบศัสตร์ุรุษการครบศัสตร์ุรุษเพราะอะไร การอยู่ในประเทศที่สมควรทําไมจึงได้อยู่ในประเทศที่สมควรเพราะมีปเุเพกะตะปุญญาตาทําไมจึงมีปเุเพกตปุญญาตาเพราะตั้งตนไว้ชอบวันในอดีตตั้งจิตเอาไว้ชอบเอาไว้ชอบตั้งความปรารถนาเอาไว้ถูกต้องอ่ะคล้ายๆกับบทที่เราตั้งความปรารถนาใช่ไหมนะอะไรน ะ, ะรนะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญ น, นั้นและการอุทิศส่วนบุญ น, นั้นเป็นต้นไอ้การตั้งความปรารถนาเหล่านั้นแหละเรียกว่า อัตตะสัมมาปณิที่มันอัตตะสัมมาปณิที่ทําให้เกิดในประเทศที่สมควรการเกิดในประเทศที่สมควรเป็นเหตุใกล้ให้คบสัตบุตรการครบสัตบุตรเป็นเหตุใกล้ให้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็จ ะ, ะมีศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาก็จะมีโยนิโสมนัสิการพิจารณาไปตามธรรมเมื่อ โยนิสโสมนัสิการบ่อยสติสัมปชัญญะก็เกิดเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีอินทรีิสังวรก็เจริญเมื่ออินทรีิสังวรดีสุจริรตสาก็ดีเมื่อสุจิรตสดีสติปัฐานสี่ก็เจริญเมื่อสติปฐานสีเจริญโพชงเจ็ก็เจริญเมื่อเจริญโพชงเจ็ดการแทงตลอดอริยสัจเพราะโพชงก็คือสมถะและวิปัสนาสัมมาธรรมวิจยสัมโพชงกับวิริยะสัมโพชงเป็นวิปัสนา พ่อชงที่เหลือเป็นสมถะพันสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปก็จะเกิดวิชาวิชาก็คือการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งวิชาก็เป็นเหตุใกล้แห่งวิมุตติวิมุตติก็เป็นเหตุใกล้แห่งวิมุตติยานทัศนะถ้าไม่มีวิชารู้อย่างนี้เรียกอะไรเรียกอวิชาอวิชาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชาอวิชาก็มีนิวรณ์าเป็นอาหารแล้วนิวร์ทําไมจึงมีนิวร อะไรทำไมจึงนิวรก็เพราะทุตเจริญสามทำไมจึงมีธรรมทุตเจริญสามล่ะก็เพราะไม่มีอินทรีย์สังวรทําไมไม่อินทรีย์สังวรน่ะเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะอ้าวทาไมทำไมไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่มียนิโสมนาสิการก็โยนิโสมนาสิการซะสิเพราะก็ไม่มีศรัทธาอ้าวทาไมไม่มีศรัทธาล่ะไม่ฟังอ้าวทาไมไม่ฟังไม่ครบศาสตร์บุรุษทําไมไม่ครบศาสตร์บุรุษเพราะอยู่ผิดที่ ทำไมไปเกิดผิดที่เพราะว่าไม่มีบุญเก่าทําไมไม่มีบุญเก่าก็ไม่ตั้งจิตเอาไว้ทําไมไม่ตั้งจิตล่ะก็ก็ไม่ได้คบสัตว์บุรุษอีกนั่นแหละวัตตะมันก็เลยยาวอย่างไงนะีนะพราะก็ไปตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไว้เธออย่าไปมิจฉาปณิที่นี่อัปมงคลสัมมาอะไรนะอัตตะสัมมาปณิที่นี่เป็นมงคล ทีนี้ถ้ามีการหมุนธรรมะทั้งกุศลอกุศลโดยรอบแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาพลิกจากกุศลให้เป็นอกุศลแล้วก็หาสาวหาเหตุหาปัจจัยของอกุศลแล้วรู้ว่าอากุศลเส้นทางของเขาต่อไปคืออะไรถ้าพูดถึงอกุศลก็พลิกกลับมาหากุศลแล้วสาเหตุของกุศลเนี่ยมาจากอะไรแล้วเป็นไปอย่างไรก็พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าอาวัตหวตหาระเนี่ยนะอาวัตตหาระนั้นพระธรรมที่เราฟังเราศึกษาก็ต้องสามารถพลิกแล้วมาหมุนได้ อย่างนี้ส่วนวิพัติหาระวิพัติหาระสัมปาตะก็คือการแสดงธรรมะฝ่ายกุศลด้วยอากุศลแสดงฝ่ายอากุศลด้วยกุศลก็คือพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้นั่นแหละพลิกกลับไปกลับมาเพราะนนั้เวลาพูดถึงดำเราก็ต้องนึกถึงขาวถ้าพูดขาวก็ต้องนึกถึงดำถ้าพูดกุศลต้องนึกถึงอากุศลถ้าพูดถึงอากุศลก็นึกถึงกุศลแล้วก็สาวหาเหตุหาปัจจัย เป็นต้นแล้วก็ประมวลลงสัจจะเป็นต้นการกระทาได้อย่างนี้เรียกว่าวิพัติหาระจำแนกทำโดยพระสูตรไม่ว่าจะเป็นภูมิปัฏฐานนามวัตถุที่เป็นสาธารณะอสาธารณะก็หมั่นวิจัยอย่างนี้แหละส่วนปริวัตินาหาระล่ะปริวัตินาหาระก็คือการพลิกกลับธรรมะจากกุศลเป็นอกุศลพลิกจากอากุศลเป็นกุศลว่า อะไรควรเจริญแล้วอะไรควรละเนี่ยนะหมายความว่าถ้ารู้จักกุศลแล้วกิจของกุศลคืออะไรถ้ารู้จักอกุศลแล้วกิจของอกุศลน่ยคืออะไรก็สแสวงหากิจเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อส ม, มถะและวิปัสสนาที่บุคคลเจริญแล้วนิโรธจะผลเป็นอันกระทําให้ประจับแจ้งแล้วคือถ้าเจริญหมายความว่าถ้าเจริญส ม, มถาวิปัสสนาไอ้ส ม, มถาวิปัสสนาเนี่ยคือมรรคใช่ไหมถ้าเจริญมรรคเจริญส ม, มถาวิปัสสนา ยังไงผลออกมาก็ต้องแทงตลอดนิโรสัจจะคนที่แทงตลอดนิโรสัจจะก็แสดงว่ากําหนดรู้ทุกคนที่กําหนดรู้ทุกแสดงว่าละสมุทยัยเพราะฉะนั้นทุกชื่อว่าเป็นอันผูกกําหนดรู้แล้วสมุทัยเป็นอันละแล้วมัคสัจจะก็เป็นอันเจริญแล้วด้วยธรรมที่เป็นปฏิปักปฏิปักธรรมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแทงตลอดนิโรสัจจะก็แสดงว่า กำหนดรู้ทุกและกวละสมุทัยเพราะนิโรสัจจะกับมาาัคคสัจจะเป็นปฏิปักเป็นปฏิปักต่อทุกขสัจและสมุทัยสัจจะถ้ากล่าวทุกขสัจและสมุทัยสัจจะก็แสดงว่ากล่าวนิโรสัจะกั บ, กาากบมาาัคคสัจจะที่เป็นปฏิปักษธรรมต่อกันและกันเป็นข้าศึกแห่งกันและกันเป็นต้นการที่สามารถพลิกกลับจากกุศลมาเป็น อกุศลจากอากุศลเป็นกุศลแล้วรู้ว่ากุศลควรเจริญอกุศลควรละถ้าเจริญกุศลตัวใดแล้วอกุศลตัวใดถูกละออกไปได้ความรู้ความเข้าใจอันนี้แหละเป็นปริวัตนะหาระเมื่อฟังธรรมแล้วก็ต้องสามารถพลิกได้แบบนี้แต่ว่าฝึกไปเถอะไม่นานสักเท่าไหร่อาพระมหา ก, กัจจายนะท่านทําเท่าไหร่แสนกลับนะท่านจึงได้แบบนี้นะมันเราก็จะไปเรียไปถึงไหนเนี่ยนะจะฟังวันเดียวจะให้เข้าใจเท่าพระมหา ก, กัจจายนะมันก็เกินไปแล้ว นส่วนพุทธพจน์คำอธิบายอื่นๆนี่ก็คงเป็นเสาร์อาทิตย์หน้าบ้างนะเชอนวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้